บินโดวาละทวาช้าก็บอกว่าอา๋อก็แน่นอนอเขาต้องด่าต้องว่านะต้องด่าต้องว่าอย่างโน้นอย่างนี้ว่าอ่าพุทธเจ้า ส, สมณะโคตมะเป็นคนจันทานอย่างวิธีนี้เคยไปนับถือเขาทําไมมาอยู่กับเราเป็นพราหมณ์เนี่ยอเป็นพราหมณ์เป็ น, ม, ปนมีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกอสกักยะ สมาสักยะบุตรก็เป็นพรามมาก่อนเหมือนกันไปทำตั้งรัติที่กายขึ้นมาใหม่เพราะนั้นเขาก็จึงว่าสารพัดทั้งด่าทั้งว่าทั้งาสารพัดแล้วเขาจะดูถูกผู้ที่เขาก็ถามว่าดูก่อนพาะทวาชาเธอรู้ไ้ยว่าพรามาทั้งหลายนี่เกิดมาจากใครพรามาทั้งหลายที่ว่าเป็นเจ้าละที่เกิดมาจากก็เกิดมาจากท้องแม่นั่นแหละ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 แต่พอมาตัดเรื่องของจิตว่าจิตนี้ประภัสสน์ประภัสสรมีทางจิตตังอาคันตุเกเสหิวปกติถังจิตนี้เดิมแท้ผ่องใสประภัสสนไม่มีมูลทินไม่สุกปุกมาก่อน mm hmm. ต่อเมื่อมาอกระทบสัมผัสเกิดอาคันตุกกิเลสคือความพอใจเมื่อพอใจจิตนี้จึงเศร้าหมองไปกันว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตนี้ผ่องใสจิตดั้งเดิมแท้เนี่ย เหมือนกับพระพรหมเดิมแท้นั้นห่องใสสะอาดแต่พอมาเกิดความพอใจจิตก็เป็นมูลทินเลยนั้นความพอใจจึงเป็นมูลทินอันดับแรกของจิตทีนี้มนุษย์แสวงหาอะไรเสแสรงหาความพอใจนั้นแสดงมนุษย์เสแสงหาอะไรหามูลทินใช่ไหมอ่าเพราะนั้นแสดงว่ามูลทินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์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 เป็นสุขที่เหนือทุกปรมาจารย์นี่แปลว่าไปเหนือสุขไปเห porte. นือทุกนะเราใช้สุขใช้ทุกแต่ว่าเราไม่ติดสุขติดทุกเออคาว่าไปเหนือนไหมายความว่าไม่ได้ลอยอยู่เหนือนนะเหมือนกับว่าเราอยู่บนเรือแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในน้ําแต่เรายังไอใส่น้ําอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีน้ําเรือจะแล่นได้ไหมถ้าไม่มีสุขไม่มีทุกชีวิตจะดําเนินไปได้ไหมไม่ได้อันเดียวกันเราอยู่ในน้ําแต่เราไม่ติดน้ําถ้าเราติดน้ําเรือเราวิ่งได้ไหม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 ไม่มีทําก็เหมือนไม่มีเรือเพราะฉะนั้นพอเราลงไปในน้ําก็เป็นไงโดยที่ไม่มีเรือแล้วเขไม่ใช่เปียกอย่างเดียวอจมปิ้นนึงเลยถ้าว่า้เป็นเน่ยสมมติว่าไ้เป็นนะน้ํามันกว้างอะ่ะใช่ไหมเรือแตกกลางทะเลอ ง, งเงี้ยว่า้เท่าไหร่ก็แต่ไม่ใช่พระมหาชนกนะไหว้แล้วมีคนมาช่วยนะกรณีพิเศษน ะ, นะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องสร้างเรือสร้างแพ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 ไม่อยากมีไม่อยากเป็นยังไงเป็นวิพาทานหาใช่ไหเออไม่อยากนี่เป็นตันหาไหมไปไหมไปปฏิบาททาัติธรรมแลไม่อยากไปอ่ะเป็นตันหาไหมเป็นเนี่ยพอเป็นเพอไม่อยากไปนั่นเลยอ่เพรา ะ, ะ, ะฉะนั้นเอาเน้นปฏิบัติท่านปฏิบัติบอกผมไม่อยากปฏิบัติบอกผมขี้เกียจลักษณะที่ไม่อยากแบบนี้เป็นตันหา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 Not tomorrow. After tomorrow, tomorrow just uh, uh, wake up t r e uh, e t 3.30. But next day 11, we start to l i n k the bell at two o'clock and come together here. After that, we are uh, walking. My n d f u l walking up to the mountain. The top of the mountain, we p r a c there i c e t until uh, 8.30 t and walk back.